หากันตั้งใจความตั้งใจนี่แหละนักว่าเป็นสิ่งสำคัญมากทำอะไรอะไรทำไม่ตั้งใจแล้วมันเหลวไหลทั้งนั้นแหละอย่างเช่นตื่นนอนให้ทันกับเวลาที่กำหนดไว้อย่างนี้นะหาก่อนนอนแล้วตั้งใจ ไว้ว่าเราจะตื่นให้ทันกับเวลาอย่างนี้อธิษฐานใจตั้งใจไปอย่างนี้ทุกคืนเลยอย่างนี้ต่อไปมันก็ตื่นได้ตามเวลาถ้าผู้ใดไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้แล้วมันจมไปเลยอ่ะมันจมไปเลยถึงเวลาแล้วมันก็ไม่ตื่น หน่งนี้เนะี่ยที่ว่าคนเราทำอะไรนะถ้าไม่ตั้งใจแล้วมันอ่อนแอไปหมดการงานอื่นๆก็เหมือนกันนะดังนั้นเราต้องฝึกตั้งใจเสมอเสมอทุกคนผู้ใดมีหน้าที่การงานอะไรก็รต้องตั้งใจจดจ่อต่อการงานอันนั้น ทั้งเวลาตื่นอยู่ก็ดีหรือเวลาเวลาจะหลับจะนอนไปก็ดีอย่างนี้ท่านเรียกว่าอธิฐานะบารมีให้เข้าใจไม่อย่างนั้นมันก็บกพร่องละบารมีสิบประการต้องให้เข้าใจเนียว่า การทำความดีก็คือการสร้างบา ร, รมีนั่นเองนะก็เคยพูดให้ฟังอยู่เรื่องบา ร, รมีสิบประการนะหวังว่าก็คงเข้าใจกันนะเพราะว่าคุณธรรมสิบอย่างนี้มันล้วนแต่เป็นเครื่องขัดเกลาจิตตสัญญาณนี้ให้สะอาดให้ผ่องใส ให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมีสติมีปัญญาดีถ้าหากเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมสิบอย่างนี้แล้วต้องมันคำนึงมันกรวดดูเสมอแต่ละคนละคนนะว่าเรามันบุกพล้องบา ร, รมีอะไรในบา ร, รมีสิบประการนั้นนะ แล้วก็เมื่อรู้ว่ามันบกพ่องบา ร, รมีข้อไหนก็พยายามบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นอย่างนี้เลยเช่นขันติบา ร, รมีอย่างนี้นะคนส่วนมากมักจะบกพ้่องเรื่องขันติบา ร, รมีความอดความทนมีน้อยไป มันก็เป็นเหตุให้เกิดความเกียคร้านเฉยชาไม่ใช่ว่ามันเป็นความเกียคร้านเองมันขาดคุณธรรมเรื่องมันนะดังนั้นทุกคนต้องสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจเห็นวิริยบา ร, รมีหากขาดความภาคเพียรพยายามแล้ว มันก็ไม่สามารถที่จะละบาปบาเพ็ญบุญให้เกิดให้มีได้คนเรามันมีบาปอยู่ในใจทุกคนแหละไม่มากก็น้อยดัยงนั้นถ้าไม่ภาคเพียนพยายามทำใจให้สงบระ ง, งับแล้วอย่างนี้นะี่ยบาปกรรมต่างๆมันจะไม่เบาบางไปจากจิตใจเลย ก็จะต้องหอบเอาบาปติดตัวไปคนเรานะเกิดไปชาติใดก็จะต้องไปสเสวยแต่ผลของบาปที่ตนไม่เพียรละมันนะสะสมมันว้เลื่อยไปอันบาปทั้งหลายจะหมดไปจากดวงจิตได้กรเพราะอาศัยการเพียร ย็นละกำหนดละทำใจให้สงบเจริญปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์ยานให้เกิดขึ้นในดวงกิจนี้คือมอายความว่าพี่นาเห็นสังขารทำทั้งหลายมีเกิดขึ้นแล้วแปรปวนดับไป ทั้งที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลก็เกิดดับเหมือนกันปัญญานี่แหละเป็นเครื่องแผดเผากิเลสปาประธรรมให้เบาบางไปจากกิจใจได้แต่กลัวจะเกิดปัญญาแล้วมันก็ต้องบำเพ็ญคุณธรรมต่างๆ ในบารมีสิบประการนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะให้พึ่งพากันใส่ใจให้มากเรานับถือพระพุทธศาสนานี่เป็นลาบอันประเสริฐแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่นานๆจึงมาปูบัติปังเกิดขึ้นครัง้งหนึ่ง จึงได้ประทานธรรมะที่พระองค์เจ้าตัดสรู้แจ้งแล้วนั้นไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาเราเรียนได้ท่องได้จำเอาแล้วละลงมือประพฤติปฏิบัติตามก็จึงทำอาสวะกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นน้อยเบาบางออกไปจากดวงกิจนี้ได้ คำสั่งสอนอื่นๆไม่ไม่เป็นอุบายละกิเลสตัณหามีแต่คำสอนในพุทธศาสนานี่แหละเป็นอุบายสอนใจให้ละกิเลสตัณหาคำสอนของโลกอันนี้ไม่แต่สอนให้สะสมเอา มีแต่สอนให้สะสมเอาสิ่งต่างๆในโลกนี้แล้วถ้าเกี่ยวกับัเรื่องศาสนาอย่างนี้ส่วนมากก็มีสอนให้ถือพักถือพวกถือกกถือเราเป็นอย่างนั้นพวกใครพวกมันแล้วก็ถ้าเห็นพวกอื่นล่ำหน้าไม่ได้ ต้องหาทางขาดขวางต้องหาอุบายปราบมันลงไปเนี่ยนังที่เราคงได้ยินได้ฟังกันมาอยู่บ่อยๆสงครามศาสนาก็มีสมัยทุกวันเนี่ยไม่เฉพาะแต่สงครามไปแย่งสิ่งเอาบ้านเอาเมืองกันเท่านั้น <c oughs> แต่สำหรับพระพุทธศาสนาแล้วไม่มีอะไรทั้งนี้ก็เพราะอะไรแล้วก็เพราะพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตคิดให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันเลยไม่ว่าคนชาติใดภาษาใดวันนะใด วันณนะสูงวันนะต่ำก็ตามก็ให้มองกันด้วยสายตาอันเปี่ยมไปด้วยเมตตาการุณาอมอินดูสงสารกันทั้งคนดีทั้งคนชั่วพระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีความรักใครเอ็นดูปรถนาให้เป็นสุขทั่วหน้ากันนี่ ให้ให้จำเอาไว้ก็มุ่งหมายแห่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี่นะมุ่งหมายอย่างนี้จริงๆเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ลงมือปฏิบัติตามอย่างนั้นแหละเราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าบริษัทของพระพุทธเจ้าก็มีทั้งภิกษุสามนเณรอุบาสก อ, อุบาสิกาผู้ครองเรือน ก็มีมูเนี่ยต่กการปฏิบัติทางจิตใจนี่เหมือนกันแหละไม่แตกต่างกันแตกต่างกันแต่ความปรับพติทางกายทางวาจาอันนั้นมันหยาบมันละเอียดกลัวกันแต่การปฏิบัติทางภายในจิตใจแล้วอันเดียวกัน มุ่งไปสู่ความสงบมุ่งไปสู่ความรู้แจ้งเหมือนกันเดินทางเดียวกันต้องให้เข้าใจเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปลังเลทำไมการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าน่ะไม่ควรลังเลใจ ไม่ควรสงสัยว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างนี้ข้อนี้ถ้าให้พิสูจน์ล่วงหน้าไว้ก่อนเลยทีเดียวอ่ะอืมเปอย่างั้นในเมื่อผู้นั้นน่ะยังปฏิบัติไปยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่าเมื่อบุคคลไม่ประมาทแล้วอย่างนี้ สามารถปฏิบัติไปตามคำสอนของพระเถเจ้าไปโดยลำดับก็จะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้คือความสงบสุขนี่อย่างเช่นว่าเมื่อบุคคลมาสมทานมั่นในศีลนับแต่ศีลห้านี่ลหละขึ้นไปเมื่อสมทานลงไปแล้วพยายามรักษาจริงจังเลย ไม่ล่วงละเมิดในสิขาบทที่ตนสมทานมาแล้วเช่นนี้แล้วรับรองว่าเมื่อตายลงแล้วไม่ได้ไปตกนรกไม่ได้เป็ น, นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแน่นอนทีเดียวแต่ต้องทำจริงนะไม่จริงไม่รับรอง ต้องรักษาศีลให้ถึงขั้นปรมัาถศีลเลยอย่างนี้นะถึงจะพ้นจากอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นได้รักษาศีลถึงปรมาถศีลหมายความว่าถ้ามีใครมาบังคับให้ฆ่าสัตว์ตัวนี้แหละอย่างนี้นะถ้าไม่ฆ่าเราก็จะฆ่าแก่ ผู้นั้นจะไม่ยอมฆ่าสัตว์ตัวนั้นเลยเอาจะฆ่าแกก็ฆ่าไปไม่ย่อท้อสละชีวิตบูชาศิลลงไปนี่มันมันต้องเป็นปรมัติตย์ศิลอย่างนี้นะมันก็ถึงไปสวรรค์ได้ถ้าหากว่ามีศิลไม่มั่นคง อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นถ้ามีใครเขาบาังคับให้ฆ่าสัตว์อย่างนี้กลัวตายถ้าไม่ฆ่าเขาจะฆ่าตัวเองอย่างนี้ก็ เ, เลยไปฆ่าสัตว์นั้นเสียอย่างนี้มันก็ไม่พ้นบาปอีกแล้วถึงตายไปก็ต้องเป็นสวยิผลของบาปกรรมนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้เหตุดังนจึงมันไปสวรรค์ไม่ได้ ้าพูดรักษาความสัตว์นั้น ไ, ได้ถึงแม้จะถูกฆ่าตายลงมันก็ไปสวรรค์ได้เลยเหมือนอย่างโจรห้าร้อยดังที่เคยแสดงให้ฟังมาอยู่รักของเขาแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปเข้าป่าเข้ารกไปก็ไปเจอพระทุดงเข้า ไปขอพึ่งบารมีของท่านท่านก็ประกาศศินห้าพร้อมทั้งพระไกรสนานาคมให้ฟังให้สมถานเอาเมื่อเสร็จแล้วท่านก็แนะนําว่าให้ พ, พยายามตั้งมั่นอยู่ในศินพร้อมทั้งพระไกรสนานาคมนี้แม่เจ้าของทรัพย์เขาติดตามมา เขาจะทำร้ายอย่างไรก็ยอมให้เขาทําอย่าไปต่อสู้กับเขาโจรเหล่านั้นเชื่อฟังพระเถระนั้นไม่นานเจ้าของทรัพย์อมตเจ้ารดีตามมาทันเขาก็มาสังหารโจรเหล่านั้นให้ตายหมดเลยเมื่อตายแล้วอนิสงส์ที่สละชีวิตเพื่อศีลนั้น ก็นำดวงจิตของโจรเหล่านั้นให้ไปเกิดสุคติโลกสวรรค์นู่นอย่างนี้แหละคนเรามันไม่กล้าเสียสละลงไม่กล้าเสียสละความสุขพอประมาณก็ไม่ได้รับความสุขอันไยบูญเป็นอย่างนั้นคนส่วนมากนะ มันไม่ยอมเสียสละความสุขพอประมาณนี่แหละมันถึงไม่ได้รับความสุขอันภัยบูรณ์ดังนั้นผู้ที่ได้ตรัสตรับฟังแล้วกโ็โปรดได้พิจารณาให้เห็นแจ้งเรื่องหมนีโดยตนเองถ้าไม่เห็นแจ้งโดยตนเองแล้วมันจะทาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เลย อย่นงนั้นเพราะการบําเพ็ญบุญกุศลบําเพ็ญบรารมีของคนเราเนี่ยมันแตกต่างกันไม่เหมือนกันมันไปตามกรรมตามบุญตามวาสนาของใครของเราใครทํามาอย่างไรมันก็หมุนไปอย่างนั้นแหละจะให้มันเหมือนกันทั้งหมดมันไม่ได้หรอก ต้องเข้าใจแต่ว่าจุดหมายปลายทางก็อยู่ที่เดียวกันคือพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางของทุกคนที่สร้างบุญบา ร, รมถาีถ้าหากว่าผู้ใดเดินทางผิดไปบ้างอย่างนี้มันก็นานถึงเท่า น, นั้นแหละ ไปไปแล้วมันเกาะเดินทางถูกไปอย่างนั้นบางคนก็ไม่เดินทางผิดเดินทางถูกไปตลอดทุกชาติทุกพบไปอย่างนั้นก็พลันถึงซึ่งพระนิพพานโดยเร็วมันมีในตำราพราะพุทธเจ้านำประวัติของพระสาวกบางองค์มาแสดง ให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังเช่นอย่างประวัติของพระอุรุเวลากัะสปะอย่างนี้พระอุรุเวลากัะสปะนี่ตั้งแต่ท่องเที่ยวมาในสงสารบางชาติก็เกิดความเหม็นผิดขึ้น มีชาติหนึ่งที่เป็นพระราชาหมากริย์แล้วมีอมารคคนหนึ่งมาแนะนำว่าการทำบุญนี่ไม่มันมันไม่มีผลอะไรอย่างที่แนะนำสั่งสอนกันมาแต่ก่อน อามาตคนนั้นก็ยกเหตุผลว่าเมื่อแต่ชาติก่อนนั้นข้าพเจ้าได้ทำบาปทำกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นมาแล้ววันนี้เมื่อมาเกิดได้ชาตินี้ข้าพเจ้าก็ยังได้เป็นอามาตของพระองค์เพราะฉะนั้นบุคคลทำบาปกรรมนี่บาปกรรมก็ไม่ตามสนองหรอก ดังข่าพระ อ, องค์เนี่ยเป็นตัวอย่างก็ข่าพระ อ, องค์ระลึกชาติถ น, นหลังได้ mm hmm. เมื่อพระราชาได้ฟังอานนั้นก็เลยปฏิเสธไม่ยอมทำบุญทำทานแล้วแถมยังประกาศให้คนอื่นไม่ต้องทำบุญทำทานพระสงองค์ข้าเจ้าก็ นีไปอยู่ประเทศอื่นน่นเมืองอื่นน่นเพราะว่าคนไม่ทําบุญตักบาทแล้วพระสงฆ์สามเณรก็อยู่ไม่ได้จนรอนถึงพญายินพญายินจึงได้เชิญเอาพรมลงมาทรมานเอา ชื่อว่านารถทะพรมนาราทะพรมนั่นก็ได้แก่พระพุทธเจ้าของเหล่านี้เองนะทงนั้นพระองค์เป็นพรมองค์ก็มาลอยอยู่บนอากาศพร้อมทั้งพยาอินแล้วก็แนะนำสั่งสอนพระราชาพราะองค์นั้น ที่เหตุที่ผลต่างๆให้ฟังจนว่าพระราชานั้นละความเห็นผิดใจปฏิญญาณตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งแล้วก็สมทานศีลห้าบนี้ต่อจากนั้นก็จึงได้สร้างบุญสร้างกุศลไปแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชน ได้ทาบุญกุศลไปพระสงฆ์สามเณรก็จึงมาสู่บ้านนั้นเมืองนั้นได้ให้ทำญาติโยมชาวบ้านได้ทาบุญทาทานเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาดังนั้นพระอุโุเวลากัฏฐปะเนี่ย ก็จึงเกิดมีความเห็นผิดติดตัวมาจนถึงชาติสุดท้ายเมื่อพระพุทธเจ้าตัดสุเหลือจำบรรษาอยู่ป่าอิสิปัตนะมนลึกทายวัพนพรรษาแรกโปรดให้ผู้มีศรัทธาบารมีอันแก่กล้าได้ สำเร็จอรหัตผลได้บวชเป็นสาวกของพระองค์จำนวนหกสิบูปท่านแล้วพระองค์ก็แจกจ่ายท่านเหล่านั้นให้เที่ยวจาริกไปเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่ผู้มีบุญรอดสนาบรารมีทั้งหลายส่วนพระองค์นั้นได้ พิจารณาเห็นว่าอุรุเวลากระสปะสามพี่น้องกับบริวารพันหนึ่งนี่มีอุปนิสัยวาฒนาแก่กล้าแล้วแต่ยังมีความเห็นผิดจูคนในครั้งนั้นเพื่อนอุรุเวลากระสปะสามพี่น้องนี่กับบริวารไปสร้างอาสมอยู่ริมแม่น้ำ คงคาแม่น้ำขยาแล้วก็ทาพิธีบูชาพญานาะคได้ก่อกองไฟขึ้นให้ใหญ่แล้วก็จุดไฟเผาไม้แห้งอันนั้นเป็นการบูชาพญานาะค แล้วพญานาคก็มาอาศัยอยู่ในโรงบูชานั้นจริงจริงอย่างนี้แหละโดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นทางพ้นทุกข์เมื่อพระศ า, าสดาเสด็จไปอุรุเวลากระสปะก็เชื้อเชิญให้ไปพักที่รงบูชาพญานาค แล้วก็ทูลพระ อ, องค์ว่าในโรงนั้นมีพญานาคที่มีพิษมากอาศัยอยู่นั้นนะถ้าท่านมีความสามารถก็ไปพักเถิดพระ อ, องค์ก็ทรงรับว่าไม่เป็นไรอันเมื่อพระ อ, องค์ไปพักนะประทับนั่งขัดสมาธิ เข้าไปพญานาคไม่พอใจก็บังหวนควันแผงลิศใส่พระ อ, องค์พระ อ, องค์ก็แผงลิศ ต, ตอบกันไปตอบกันมาในที่สุดก็สู้พระปฏิหารของพระ อ, องค์ไม่ได้พระ อ, องค์ก็เอาพญานาคนั้นมาขดไว้ในบาทรุ่งเช้ามาอุรุเวลากระสปบะ นั่นก็ชวนลูกน้องมาเยี่ยมพระองค์ว่าเป็นยังไงอพระองค์ถูกพญานาคพ่คนพิษเอามารณะภาพไปแล้วหรือไงท่านพ่อไปถามพระองค์พระองค์ก็บอกว่าอยู่สุขสบายดีแล้วก็เปิดฝาบาทออกให้ดูสินี่พญานาคของพวกท่านทั้งหลายอ่ะ หมดลทิ์หมดเตชแล้วแต่ถึงกับนั้นอุุเวลากัดสปักก็ยังถือตัวว่าตนเป็นพระอาราหันต์อยู่งั้นแหละยังไม่ยอมพระองค์ง่ายๆพระองค์เจ้าก็ทรมานเอาหลายวิธีผลสุดท้ายก็ยอมอยอมแสดงความเคารพนับถือต่อพระองค์ แล้วก็ขอบวชตะกันลอยบริขารของฉรินไปตามแม่น้ำผู้น้องชายเห็นเข้าก็พาบริวารมาเยี่ยมพี่ชายนึกว่าเป็นภัยอันตรายอะไรเกิดขึ้นแก่พี่ชายเมื่อมาเห็นพี่ชายบวชก็เลยขอบวชกับพี่ชายไปขอบวชกับพระศาสดา ร่วมกับพี่ชายเมื่อบวชแล้วพระองค์เจ้ากษัทรงอบรมแนะนำสั่งสอนโดยทรรมเบ็ดตะเล็ดไปพออินทร์บา ร, รมีของท่านเหล่านั้นแก่กล้าแล้วพระองค์เจ้าพาเส็จไปสู่แน้นำขยา ที่นั่นแหละพระ อ, องค์เจ้าไปทรงแสดงอดิตตะปริยา ย, ยสูตรโปรดฉดินพันสามนั้นจบลงท่านเหล่านั้นก็ได้สำเร็จอรหั ต, ตผลทั้งหมดนี่แหละคนเราท่องเที่ยวมาในสงสารอ มันก็มีความเห็นผิดเป็นบางชาติเป็นบางครัง้งบางคราวบางคราวก็มีความเห็นถูกไปแต่ว่าบางคนก็เห็นถูกตลอดไปก็มีอัก็เป็นอย่างนี้อุปนิสัยวาสนาของคนเราดังนั้นทุกคนให้พยายาม พิจารณาธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองอย่าให้มันหลงอย่าให้สงสัยลังเลในคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมนี่แหละอันนี้ทงพิจารณาให้มันเห็นแจ่มแจ้งเลย ถ้าเห็นแจมแจ้งเราไม่สงสัยรังเลแล้วเกิดไปชาติใดก็จะไม่มีความเห็นผิดเลยใครจะมายุยงส่งเสรมิมให้เห็นผิดเป็นชอบไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่ไปตามเลยก็จะต้องเชื่อมั่นในการกระทำของตัวเองนะตนทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่ว ความสุขความทุกข์ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดในสากลโลกนี้มาดนบันดาลให้ตนมีความสุขในเมื่อตนไม่ได้ทำความดีหรือว่ามาดนบันดาลให้ตนได้ประสบกับความทุกข์ในเมื่อตนไม่ได้ทำกรรมมันชั่วไม่มีเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นนะนี่มันต้องให้เห็นแจ้งในเรื่อง การกระทำของตัวเองนี่แหละเมื่อเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หลงลจะไปเกิดไปชาติได้พบได้มันก็มาเพียรพยายามกระทำกุศลคุณงามความดีให้แก่กล้าขึ้นในใจเรื่อยๆไป <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นการอบรมบมเอินจีของคนเราเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างนี้แหละ นั้นทุกคนให้รักษาความรู้ความเห็นเบื้องต้นนี้ไว้ให้มั่นคงในใจแล้วต่อจากนั้นเช่นอย่างผู้ที่เห็นแจ้งเราว่าทำดีได้ดีอย่างนี้นะบันนี้การทำดีเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีแต่ขั้นเดียวมันมีขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงสุดนี่ความดีนี่นะ ดังนั้นจะไปทำความดีเพียงพอประมาณแล้วนึกว่าพอแล้วและหยุดเสียอย่างนี้ไม่ทำต่อไปไม่ถูกต้องเลยผู้นั้นก็ยังพ้นทุกข์ไปไม่ได้อย่างว่าผู้ให้ทานเดี๋ยวกับเป็นผู้รักษาศีลเท่านี้แล้วนึ ก, กว่าพอแล้ว ไม่ต้องไหวพระภาวนาอะไร ก, ก็พอแล้วเช่นนี้มันก็ยัง้นทุกข์ไปไม่ได้ลำพังแต่อำนาจแห่งทานอำนาจแห่งศีลเท่านี้มันก็เพียงแต่กรรมจัดมันยังเหลืออยู่ยังมีอยู่เพราะกิเลสอย่างกลาง บุคคลจะต้องกำจัดได้ด้วยสมาธิกิเลสอย่างละเอียดบุคคลจะต้องกำจัดได้ด้วยอำนาจแห่งปัญญาเป็นอย่างนั้นดังนั้นเก็ต้องบำเพ็ญข้อปฏิบัตินี่ให้พร้อมๆกันไปเลยสำหรับผู้ที่ มีความรู้ความเข้าใจในความหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ดีแล้วก็จะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติให้ครบทั้งสามอย่างพร้อมกันไปจึงจะมีประสิทธิภาพมีอนุภาพแรงกล้าสามารถขจัดกิเลสตัณหา หรือว่าถอนรากถอนโคนของกิเลสตัณหาออกจากกิจใจนี่ได้ถ้าไม่ได้ทั้งหมดก็เรียกว่าได้โดยเอกเทศกับเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกะทาคามีเป็นพระอนาคามีเว้นแต่พระอระหันต์อันนั้นต้องละสังโยชนสิบประการให้ได้หมด จึงจะถึงขั้นอรหัตตะผลท่านเรียกว่ารักกิเลสขาดจากสันดานโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือดังนั้นจุดมุ่งหมายของทางพระพุทธศาสนานี้พระองค์เจ้าจึงทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นมีความภาคเปลียนพยายาม ทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับดังกล่าวมานี้<ะ>เพื่อจะได้ถอนรากถอนโคนของกิเลสตัณหาที่มันก่อทุกข์ก่อยากให้มาในวัฏฏะสงสารนี้ออกไปเสียจากดวงขิดนี้ให้หมดไปสิ้นไปดังแสดงมา